เพราความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทงลายแต่หลวงปโพธิยานกำลังนําเสนอเรื่องสมาธิในระดับที่เป็นโลกิยะซื่อว่ากันในหลักของความเป็นจริงแล้วนี่มันสมาธิิก็เป็นโลกิยะอยู่แล้วนะฮะเือในี้มากเป็นองค์ประการที่จริงเป็นโลคิยธรรม ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอะไรมัเคิยงแปดเท่านั้นที่เป็นโลกุตรธรรมเปลี่ยนด้ว่าเป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญาก็เรียกว่าระดับทั่ ว, วไปวันก่อนนายยกตัวอย่างเรื่องมัคคสมาทิทิเป็นการเพิ่มเติมกระแสที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบัน ดูหนงสือพิมพ์หลายเล่มหลายฉบับมีสนับสนุนกลุ่มชาวพุทธก็มีนะฮะแล้วก็คัดค้านก็มีแต่กลุ่มคัดค้านเนี่ยที่จริงเราดูแล้วก็คัดค้านนอกประเด็นคืออย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าที่จริงมันมีประเด็นเดียวแต่ว่าประเด็นที่จะนําไปสู่ปัญหาทาวรตลอดไป แม่จะเยียวยารักษาได้ก็มีสองสองอย่างคือย้ายสังกัดหรือปรับวิธีการหรือปรับองค์กรแต่ถ้าขืนเป็นไปตามล่างที่กรรมการเขาร่างขึ้นมามีปัญหาแน่นอนมันก็เหมือนกับที่เคยพูดไว้นะเรื่องรัฐมนูม ฉ บ, บับปัจจุบันก็มีสองมาตราที่จะกระทบต่อพระาศาสนากระทบต่อสังคมในโอกาสต่อไปเฉพาะด้านศาสนานะถือมาตราที่สามี่แปดที่เปิดสิทธิโล่งทงในเรื่องการนับถือาศาสนาแล้วคอยดูตอนพวกกลุ่มคนจีนที่เขาเรียกว่าอะไรวาร่าลุนกงนะค สิคนจริงก็ต่อต้านมาว่าพวกคนนี้เหล่านี้มาจาระรปชุมในประเทศไทยนะฮะสมมติวันใดวันหนึ่งเขามาประชุมเนี่ยเขาอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีทางทำอะไรเขาได้เราเพราะนั้นเป็นรัชที่เป็นความเชื่อถือเป็นการประชุมเขาโดยปกติเขาแต่มันจะกระทบการเมืองระหว่างประเทศทันทีเลย เพราะอะไรเพราะว่าขาดความระมัดระวงังขาดความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสนาว่าภาษาในศาสนานั้นมันไม่ใช่ภาษาที่เราจะคนทั่วไปจะไปเข้าใจได้ตลอดเช่นคำว่าศาสนาบัญญัติเนี่ยมันเป็นภาษาคําในศาสนาฉลาดซึ่งคนที่จะเข้าใจจริงอธิบายได้จริงก็คือคนในศาสนาฉลาดแต่ในพุทธศ า, าสนาในเขาเรียกวพุทธบัญญัติ คือหมายความมาข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้วัตถระสงเนี่ยมันจะต่างกันแล้วข้อที่พระเจ้าสรงบัญญัติเอาไว้นั้นก็บางทีบัญญัติเฉพาะกลุ่มคนบางทีบัญญัติเฉพาะการบางทีบางบัญญัติเฉพาะเวลาอะไรแต่ไรเนี่ยซึ่งไม่ได้ถือขังแบบศักดิ์สิทธิ์แบบศาสนาบัญญตัติพรอนพรอนพอเราไป บัญญัติอะไรขึ้นมาแล้วมันไปทับคําสาวสาสนาบัญญัติมันก็เกิดปัญหาอันนี้เป็นลทัทธิความเชื่อเขาแล้วถ้าเราไปขัดขวางการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเห็นมันจะมีปัญหาตามมาเหี้ยอะไรแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมมันไม่คุ้มหรอกฮะถ้าเกิดขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันไม่คุ้มเลย แตนะ่ที่เราขัดแย้งกับพม่าเนี่ยถ้านับเงินทองที่มันสูญเสียไปผลประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะพึงได้เนี่ยมันสูญหายไปเยอะด้านดันยิงสอนห้มีความเนชอบในตัวมารกมันมองต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรมองไปตลอดสายไม่จะมองแบบตัดตอนเอาให้เสร็จเป็นชะได้อย่างนี้มันไม่ได้มันจะต้องมองในแนวของการป้องกัน ในแนวของการบำบัดในแนวของการทะนุบำรุงในแนวของการรักษาปัญหาเป็นอันมากที่เราทะนุบำรุงขึ้นมาแล้วรักษาไว้แล้วเนี่ยถ้าเราป้องกันไม่ดีนี่มันถูกทำลายได้และแนวป้องกันยังกลายเป็นแนวที่มีความสาคัญถ้าเราดูหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เราจะเห็นว่าให้สิ่งที่เราบำรุงเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันด้วยทำหน้าที่บำบัดด้วยแล้วก็ทำหน้าที่รักษาด้วยตัวตัวมรคสมาธิฏฐิเนี่ยคือตัวที่ต้องสร้างขึ้นเขาเรียกว่าตัวบำรุงสร้างสรรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนนำไปสู่ภาคของการประพฤติปฏิบัติได้ เดี๋วันก่อนนายกตัวอย่างถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็มาปฏิรูปอศ า, ศาสนาพัฒธรรมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็มีปัญหาใหญ่อยู่ที่องค์ประกอบในมาตราที่สิบเจ็ดแล้วมันจะมีปัญหาตามไปเป็นแถวไปในขณะเดียวกันก็ได้ไปเจอเอกสารนังสุพิมพ์ มีการสัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการกรรมการการศาึกษาแห่งชาติที่เรียกว่ากกศกล่าวว่าสน ง, งานคณะกรรมการศึกษาสศ ก, กำลังทำวิจัยเรื่องบทบาทสถาบันศาสนาต่อการจัด ก, การศึกษาของศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮิดูและซิกในหกด้าน คือการปกครองการาศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์สาธารณประการาศาสนสงเคราะห์และการเผยแผ่าศาสนธรรมซึ่งขณะนี้ก็เสร็จไปแล้วกว่า 80% รก็ว่าไม่เกินสเดือนจะสามารถสรุปเพื่อ น, นำปรับปรุงแผนการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับที่9้าได้ ตอนี้พระที่ผ่านมาสถาบันศาสนาเช่นวัดมัตยิดพักไม่ค่อยมีบทบาทด้านการจัด ก, การศึกษาถ้อหากมีก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนทั้งนี้ครั้นี้กลุ่มศาสนากำลังจัดทําหลักสูตรบูรณาการที่จะนําหลักศาสนามาล้อมเข้ากับหลักสูตรสามัญโดยสามารถจัดอยู่ในรูปศูนย์การเรียน ไม่ต้องอยู่ในอาคารสถานที่และรัฐต้องสนับสนุนเป็นรายหัวในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน 10, 6, าสิบสองปีอางศาสนาใดาไม่มีกฎหมายรองรับก็จะต้องออกกฎหมายกระทรวงออกกฎกระทรวงให้สามารถดาเนินการได้ก็จะเห็นว่าถ้าเรามองในใ น, ในด้านของความคิดนะก็เป็นกุศลเจตนาที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง แต่เราจะเห็นว่าแนวตรงนี้พอย่อยในรายละเอียดเนี่ยถ้าเอามาหลอมรวมกันแล้วก็จะมีปัญหาแต่หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของาศาสนาแต่ละาศาสนาได้ดึงเอาคุณธรรมในเรื่องนั้นๆขึ้นมาคือต้องหกสายที่ว่านเนี่ยแล้วก็นำมาสั่งสอนคนในศ า, าศาสนาของตัวเองคือาศาสนิกในาศาสนาตัวเอง และเมื่อพอโตขึ้นไประดับมสี่ห้าหกเนี่ยเคือใศึกษาให้นักให้นักศึกษาได้ศึกให้ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยกันประการปกครองเนี่ยพูดว่าว่าอย่างไงพราหมา์ว่าอย่างไงสัตวอิสลามว่าอย่างไงคิดว่าอยังไงซิกว่าอย่างไงก็ศึกษาแต่ว่าไม่ได้มีการชี้นาคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอายุขนาดนั้นนี่เธอวินิจฉัยได้แล้ว ตือเลือกคัดคัดสารได้แล้วมันจะทำให้ความรู้กว้างขวาง ม, ม, มากิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าคำสอนในาศาสนาระดับนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้เยอะเพียงแต่ว่าในบางเรื่องจากเบื้องหลังที่มันมีความแตกต่างกันและจะพื้นฐานความคิดการสื่อสารของาศาสนิกในาศาสนาเหล่านั้น ตลอดถึงการปรับสภาพเพื่อความมั่นคงขององค์กรนี่ทำให้มีความแตกต่างกันได้ในบางจุดเพราะฉะนั้นถ้าดูคนในแต่ละจุดว่าในช่วงนี้ยเป็นการศึกษาภาคบังคับว่ากันไปคำสอนในศาสนาใดในเรื่องอะไรก็ให้สอนสาสนิของตนลูกหลานของตนในสายตรงนั้นพอมีวุฒิภาวะสูงพอ ที่จะเลือกเฟ้นที่จะตัดสินมินิฉายได้ก็ให้เรียนให้กว้างขวางการกระทาเหล่านี้จะจะเกิดประโยชน์ในการศึกษาแต่ถ้าหลอมรวมเลยจะยุ่งทันทีเลยนะครับคือบางทีนี่ต้องต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ ว, ว่าเราจะเอากระปิมารวมกับเนอยอย่างนี้ก็อาจจะยุ่ง น้าปลามารวมกันเนยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอยู่แต่ท่้นคนตัางอยู่เนี่ยมันจะมีประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าคําสอนในาศาสนาแต่ละาศาสนาเนี่ยโดยเนื้อห า, าสาระองศาสดาจริงๆเนี่ยท่านมีคุณธรรมสูงและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในยุคในสมัยของท่านแล้วก็สืบต่อกันมานี่แสดงไม่ธรรมดาหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่า คนที่นำไปปฏิบัติได้นาไปใช้เนี่ยมีใจบริสุทธิ์เสมอเหมือนกับท่านหรือเปล่าใกล้เคียงท่านหรือเปล่าเดินตามรอยเท้าท่านหรือเปล่าตัว น, นี้ก็อาจจะมีปัญหาเวลานำไปสู่ภาคสนามคือภาคของการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะเกิดการเห็นแก่ตัวกับพวกของตัวตามธรรมชาติของมนุษย์ ยังยกตัวอย่างในกรณีที่มีการพูดในเรื่องดังกล่าวไว้กการจัดองค์กรของคณะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะออกมาเป็นราชบัญญัติก็พูดทั้งแผนที่นะเก้าอะไรเนี่ยนะครัก็ไดเห็นว่าคือคนแยกไม่เป็นแยกไม่เป็นในด้านศาสนาระหว่างการบริหารองค์กรการรักษาองค์กร การปฏิบัติตามหลักธรรมในทางศาสนาคือการบริหารองค์กรถ้าเราเรียงดูพระไกรปิดกนี้จะมีความชัดเจนนะครับว่าพระินัยนั้นคือหลักการในการบริหารองค์กรถ้าจะพูดก็คือหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร์แต่ว่าในพระสูตรเนี่ยเป็นหลักธรรมศาสตร์เป็นหลักคณศาสตร์จะทำเป็นการแสดงถึงความจริงตามที่เขาเป็น ก็เป็นยังไงก็แสดงอย่างนั้ น, นแนววิธรมก็จะแสดงสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ที่จริงเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละแต่ว่าเจาะรายละเอียดลงไปเองแนวพระวินัยจึงมีแนวของเป็นรัทธศาสาตร์โดยเฉพาะถ้าเรามองถึงเหตุที่พระเจ้าส่งบัญญัติพระวินัยก็จะเห็นชัดเจนว่าเหตุที่ส่งบัญญตัติบัญญัติพระวินัยเนี่ยก็มีเหตุ อ้าเหตุสิทธิ์ประการด้ยกนประการแรกคือการยอมรับว่าเป็นการดีที่ได้บัญญัติอย่างนั้นของสูงแล้วเพื่อให้สูงนี้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขสมานนั้นก็แสดงว่าเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรของคณะบุคคลในองค์กรที่อยู่กันอย่างมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนในการอยู่ร่วมกัน และสิ่งที่บัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาก็เป็นที่ยอมรับนับถือของคณะสงฆ์ด้วยกันข้อที่สามนั้นเป็นการคุ้มครองปกป้องคนที่มีอัธยาศัยดีงามและเป็นการกำราบคนที่หัวรื้อวาอยาสอนยากนี่คือหลักบริหารที่ชัดเจนคือคนดีต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง แต่คนช่วนั้นต้องมีมาตรการในการลงโทษในการกำราบในการกดขี่อะไรก็ตามนะปรับเพื่อสํานึกสำเนียอปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดาเนินไปในทางที่ดีแล้วข้อต่อไปก็เพื่อขาจาัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อป้องกันรเรื่องเสื่อมเสียเช่นนั้นแหละไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก ก็ทําให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับนกยกย่องของคนทั้งหลายได้องค์กรจะไม่อ่อนแอก็ไม่มีปัญหาซ้าํำซากมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็แก้ไขแล้วก็ป้องกันไว้ทําให้กลุ่มคนคนนอกกับคนในเนี่ยคนในก็คือคนที่ศรัทธาเริ่มงสายอยู่แล้วก็จะมีความศรัทธาเริ่องสามากยิ่งขึ้นคนนอกก็คือคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาเรื่องสาย ได้ศึกษาได้ทราบเกียรติคุณความดีก็จะเกิดศรัทธาเริ่อมใสนั้นก็เพื่อมวลเพื่อมหาชนแล้วก็เพื่อความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของพระสัทธรรมคือพระประยัติปฏิปฏบัติปฏิเพจแล้วก็เพื่อให้เป็นการอนุเคราะห์ต่อพระวินยัยคือถือตามปฏิบัติตามพระวินัยของบุคคลทั้งหลายและนี้เป็นการแสดงถึงหลักของรัฐศาสตร์ เพราแนวนการรักษาองค์กรเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะว่าว่าถ้าองค์กรอยู่ไม่ได้แล้วอย่างอื่นมนเลิกพูดแล้วชาติบ้านเมืองอะไรก็เหมือนกันแหละคือระอยากคิดก็ไม่ใช่ว่าพอชาติบ้านเมืองศึกสือเนื้อใต้มาอยู่แล้วก็จะปาณาทิปาตาไม่ได้แล้วอะไรก็ชาติบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้คร้วมันคนอีกเรื่องหนึ่งการรักษาองค์กรมันจึงมีคนาดหนึ่งแต่ก็จะต้องรักษางานเหล่านั้น แล้วเป็นทางเลือกที่เขาเลือกแต่องค์กรต้องอยู่ได้ถ้าขาดคนเหล่านี้มันก็อยู่ไม่ได้นยาม ว, วิกฤตขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดที่กรุงราชคึกซึตอนนั้นพวกโบ ร, ราณช ด, ดินคือช ด, ดินพันรูปกับปริภัชกสองร้อยห้าสิบรูปคือกลุ่มของาภาษาดีบทีออกบวช ที่เราได้ยินคำว่าพระหันพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยคือพระชุดเนีย่ยพวกต่างศาสนาก็กล่าวหาโจมตีใส่ร้ายพ ร, ระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมปฏิบัติตัดสกุลบรรก่อนก็นำพวกโบราณชะดินออกปวดบรรก่อนนั้นก็นำพวกปริพาโชคลูกศิษย์สัญชัยออกปวดเป็นการพลากลูก ไปจากพ่อแม่เป็นการพรากสามีไปจากพันยาเป็นการพรากพ่อไปจากลูกเป็นการตัดทำลายสกุลของชาวบ้านก็ผูกระดมแล้วคนก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยคล้อยตามสร้างกระแสกันในท้องตลาดกันเลยในกลางเมืองกันเลยแต่พอดีในช่วงตรงนั้นนะ่ะยังไม่มีชาวบ้าน อ, อกบวด จึงไม่ได้พรากลูกใครมาไม่ได้พรากสามีใครมาไม่ได้พรากาพ่อของใครมาและที่ความเชื่อของศา ส, สนาพราหมณ์เนี่ยก็ถือว่าคนที่ไม่มีบุตรติดตายไปต้องตกนรกเพราถ้าลูกถูกพรากไปหรือพ่อสามีถูกพรากไปผู้หญิงก็ไม่มีลูกมันก็ตกนรก พระเจ้าก็ส่งส่ ง, สงพระสงฆ์ไปชี้แจงและพระที่ไปชี้แจงก็คือพระอาหารหันต์นะะไม่ใช่พระสามัญชนหรอกตอนนั้นไม่มีพระกุทุชนก็แสดงเห็นว่านี่คือการรักษาองค์กรองค์กรถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายถูกบิดเบือนพระสงฆ์จะต้องตื่นตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราอย่าทำด้วยความโกรธ ไม่ได้มีความอาฆาตมาร้ายรักษาองคอ์กรชี้แจงอธิบายให้เกิดความเข้าใจและที่บันรุนแรงมากกว่านั้นในคราวหนึ่งนะพวกนิครนมิค ร, ον, ครนนาถบุตรพวกจีปเปนะือยเนี่ยเขามองเห็นว่าพระเชตวันเนี่ยเป็นชยภูมิที่ดีทำให้พระพุทธเจ้าสามารถเผยแผ่ศาสนาในครงสาวธีได้ในเวลารวดเร็ว เขาจึงให้เปย์ไปให้สิลบ์บแก่พระราชาเกิดจว่าช่วงนั้นพระเจ้าเปรสนิโกศลก็คงอย่างไม่มาปฏิญาณตนเป็นพุทธบามากาศเป็นอุบาสกโุธิคโนก็ขนทพัทสัมภาระมันเตรียมจะสร้างวิหารคิดไปเช้าตะวันเลยภิกษุก็มากาบทุนพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เราสั่งให้ภิกษุไปเฝ้าพระราชา ขอร้องไม่ให้มาสร้างวัดตรงนั้นท่านไม่ให้พบส่งภาษาริบุตรกระโมกรลานะไปก็ไม่ยอมให้พบอีกุวิเจา้าเสด็จเองรับสั่งเป็นประกาศสิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ขอร้องมาประพิษวุวนยะติรัถีนั่นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนามุ่งเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ เพราะงั้นจะมาให้สร้างวัดที่นี้ไม่ได้คล้อยออกไปประชาชาต้องปฏิบัติตามนะคือรับสั่งเป็นรูปพระบัญชาเลยไม่ใช่รับสั่งในฐานะที่เป็นคําอ้อนวอนขอร้องอะไรนั่นคืออนุภาพก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วถ้าเราไปที่สาเหตุมาเหตุนะท่านผู้ฟังที่ไปที่ประเทศอินเดียมาไปดูสาเหตุมาเหตุเราจะเห็นว่า วัดของนิโคนก็อยู่ไม่ค่อยไกลเท่าไรกับประเทศตะวันก็แสดงว่าก็มีการต่อรองทางบ้านเมืองประสมควรนะฮะก็เข้าไปอยู่ในด้านในประเทศตะวันก็อยู่ด้านนอกก็ห่างกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถือว่าไกลามากนะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแนวเนี้ยมั น, ม, นมันเป็นวิธีการในการรักษาองค์กรรักษาสถาบันรักษาศาสนา มันไม่ใช่ไปสอนในรูปของทานรูปของศีลเมื่อคนละเรื่องกันนี่ยนะองค์กรอยู่ไม่ได้ไม่รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ได้หรอกเพราะองค์กรเนี่ยเ ป, เป็นลักษณะของรัฐศาสตร์จะต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้คือปฏิโกพูดทำเป็นเคร่งครัดแต่เป็นอย่างนั้นเขาจะว่าเอานะแผ่เมตาตาอะไรอะอย่างนั้นไม่ได้หรอกที่เราเมตตาเองแหละพวกถูกกองทัพอิสล า, ามตึกตัดหัวหมดที่ อลันธาเนี่ยบนการการศึกษาการศึกษามัธเนี่ยคือทางดําเนินนี่ต้องชัดเจนเนะว่าในการมีอะไรปฏิบัติยังไงพระเจ้าทงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปตรวจตชอบจริงแล้วก็ปฏิบัติไปตามธรรมธรรมนั้นก็คือกรณีคือเหตุคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเรื่องอะไรควรจะทํำยังไง เดียยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเนี่ยว่าแนวเผ่าขุงที่พระสวดก็เรียกถวาวยบ่นพระเนี่ยคือเป็นแนวการป้องกันองค์กรรักษาองค์กรรักษาสถาบันของพระพุทธเจ้าเพราะในเบอร์เผาขุงนั้นจะทําลายทั้งพระพุทธเจ้าทําลายทั้งพุทธบริษัททําทลายทั้งพระธรรมแล้วก็หมายความมากระทบถึงพระสงค์ด้วยพระเจ้าก็ต้องปราบ ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นดังนั้นในการมาร์กบางอย่างเนี่ยมันจึงป้องกันบางอย่างจึงขจัดบางอย่างจึงรักษาบางอย่างจึงรักษาไม่ใช่บางอย่างกึ่งสร้างให้เกิดขึ้นบางอย่างก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ตามโครงสร้างของอะไรตามโครงสร้างของสมาวยมา คืยความพยายามชอบซึ่งเป็นส่วนของจิตตสิกขาแต่โครงสร้างเหล่านี้คือโครงสร้างทางการบริหารคือถ้าเราเทียบบ้านเมืองก็คือการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษานั่นเองแม้แต่องค์กรโลกเองเมื่อต้องมีลักษณะอย่างนั้นการมาคาสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีความชัดเจนว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วเวลาเนี้ยเราพูดกันโดยเรื่องอะไรไม่ใช่ไปบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไปแสดงความ วดดีวดเด่นก็ตัวเองคล้ายก็มีธรรมะอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้มันไม่ใช่วิธีการอย่างนั้นนธรรมะจะเหมือนกัญญาต้องใช้เป็นจนะใช้ไม่เป็นแล้วจะเป็นอันตรายเดี๋ยวดียาอันตรายจะมีมากธรรมะต้องปฏิบัติทำให้เหมาะควรแก่กรณีดัง น, นั้นเป็นประการสำคัญต้องฝังเท่าไหร่ แต่ลงมาพุทิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึงรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี